จอนุดแสงธรรมดีไหม <c oughs> ไก่เก่ไก่เก่แล้วแต่ก่อนเป็นไก่จ่าอยู่ม <c oughs> าฟังนะจะแสดงธรรมฟังหูวิหู ตังแล้วไปทำดูถ้าทางน่อนเกิดผลประการใดก็ เ, เชื่อก็มีศรัทธาในการกระทำที่ตัวเองทำเราก็ได้เกิดการกระทำขึ้นมาเรียกว่าปฏิบัติเชืมอาศรสมัครูตัวเองช่วยตัวเอง ต้องเป็นอย่างนี้ปฏิบัติธรรมต้องไปด่าสาสมัจกจะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่กลัวมอนกับดินกิ้นกับยา่าเป็นจะไงเป็นกันเมื่อเราปฏิบัติก็มีการวงานที่ทำตามที่พระเจ้าทรงสองสอน เรียกว่ากรรมฐานชีวิตชีวิตเราก็มีความพร้อมในกรรมฐานเราก็ได้หลักได้ฐานเห็นล่องรอยเห็นไออุ่นที่พระพุทธเจ้าได้ดำเนินเมื่อเรามายกมือขึ้นมันก็มีเป็นอันเดียวกัน <c oughs> มีสติมีกายมีใจมันเกิดแบบไหนมีสติโอ้ก็ได้คำตอบมีที่สุดที่จบลงของทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นจากกายจากใจแม้มันจะมีมากหลายอย่างแต่ก็จบลงด้วยมีสติ พอเราฝึกสติมันก็มีสติมันก็ใช้สติกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับกายได้ก็เชื่อมั่นอย่างนี้จบลงด้วยความรู้สึกตัวจะเกิดทางกายมากมายหลายอย่างก็เกิดก็จบลงด้วยความรู้สึกตัวจะเกิดทาง จ, จิตใจ มากมายหลายเรื่อง ก, ก็จบลงด้วยความรู้สึกตัวแล้วก็มั่นใจมั่นใจได้ทำลงไปสิ่งที่เกิดขึ้นกับมั่นใจในการกระทำทำแล้วก็ได้สำเร็จตามความมั่นใจปฏิบัติได้ให้ผลได้เกิดเลยขึ้นในผู้ปฏิบัติอาศาสมัครเจดวัน8ดวัน9วันแล้ว ย่อมประสบการณ์ได้บทเรียนจากกอยจา ก, กจิตใจที่มันแสดงออกแล้วแต่ใครจะแสดงเก่งแบบไหนเขาชำนาญในทางนั้นมีประสบการณ์ในทางนั้นบางคนก็ง่ายบางคนก็มีความยากบ้างว่าจะมีสติอะไรมาขวงกัน้นกำลังยกมือสร้างจังหวสิบสี่จังหวะ มันเกิดอะไรขึ้นขณนะที่นั้นที่มีการกระทอมมันมีสติหรือ ม, มันมีอย่างอื่นตอนนั้นลราทำอย่างไรจนไหมหรือว่าก่อยันตรงนั้นเพิ่มแข็งตรงนั้นอัดตนตรงนั้นเป็นความง่วงเหงาโนอนมันขนาดไหนสติเราแค่ไหน พ่ายแพ้หรือชัยชนะก็มันก็สนุกชนะตัวเองในสิ่งที่เกิดขึ้นถ้ามีสติมักจะชนะแล้วก็มีวิธีการมีรูปแบบมีกรรมฐานมาช่วยมาช่วยให้เกิดสติขึ้นมา แต่เราใช่ในะตรงที่ม่ ส, ะสะติสติมันจะเด่นตรงนั้นเหมือนกับนอ่อนอยู่ในความมืดความมืดจริงสง่างามทำให้แสงเดนอ่อนสว่างสวยสติมันจะสว่างสวย <c oughs> มีเสียงอะไรนี่นะ ไกลเจอออกเสียงได้บ้างออกเสียงไม่ได้บ้างเป็นอย่างนั้นถ้าไม่มีควัว ม, มืดแสงสว่างก็ไม่สว่างสวยได้ส่องใครในกลางวันไม่รู้เส้นไฟฟ้าเราเปิดนี่วก่อนไว้ เมื่อถึงกลางวันไม่รู้ว่าไปมันติดอยู่สูญเสียไปเปล่าๆถ้าเรามาเปรียบเทียบตอนที่เราหลงเราลู้เนี่ยมันเด่นมันง่วงมันลู่มันเด่นขึ้นมาควอมลู้มันเด่นตรงนั้นโชว์ตรงเดินเรามีความถูกต้องที่สุด สัมผัสกับความหลงสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความม่วงสัมผัสกับความรู้สัมผัสกับความคิดสัมผัสกับความรู้คู่กันไปไม่มีเป็นอื่นได้สิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจมีตัวเฉลยเน่โดนถ้าเราจะศึกษาพระพุทธเรื่องพระพุทธเจ้าเานะเอาตรงนี้ ความส่วของพระเจ้ามากมายหลายหลานหลายเรื่องอย่างเรื่องที่เราสาธยายเมื่อกี้นี้พะสูตรอริมักในองคปดมันเปิดผลมาจากตั้งแต่วันตัดสรูุแล้วจึงมีโอกาสแสดงธรรมดลยมากมายแปดมืสี่พันอย่างจีปี ที่ผ่ อ, องโดยเทศสนาสั่งสอนได้บเรียนจากสาวกแต่ละลูกจากอวสศกบาสิกาแต่ละคนจากสถานที่ต่างๆธรรมเทศสนาจึงมีการทันสมัยทุกๆเรื่องเกี่ยวกับผู้กับคนแม้แต่โจรผู้ล่อยอย่างโองคีมานก็มีเทศนาแบบ นึ่งต้องมทเทสนาที่ทำให้เกิดการตัดสรู่ก่เป็นการกระทําอีกแบบหนึ่งมาผูกตัน์สอนตนในการกระทํากับพานสอนนี่เราบานําเลินจากการกระทําละวันเพลนในการวันตัดสรู่นั่นพระพุทธเจ้าบอกกู้เขนเข้าเหยียดแขนออกเราทําตรงนี้กันมีสติ กูเห็นเขาเดีอยเห็นโดมีสติฉาดใจชาดจั บ, จาจบยาบครก็ทำได้เมื่อมีสติไปในกายมันก็เห็นเรื่องที่เกิดเกิดไปอ๋อยอนอ๋อจ๋อบัดบัดหรือว่าเวทนา ภาษาชาวบ้านเราสุขร่าทุกภาษาของกายภาษาธรรมเรียกว่าอาการถ้ามีสติจะเรียกมันว่าอาการไม่ต้องเรียกว่าสุขว่าทุกไม่ต้องเรียกว่าเวทนาสุขเวทนาทุกขกเวทนาอาทุกขมาสุขเวทนามันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้น ตามธรรมชาติตามอาการของรูปของกายของจิตของใจเมื่อมีสติดูมันก็ต้องเห็นของที่มันมีอยู่กับกายมันแสดงออกเห็นไหมหรือว่าเป็นไปกรรมบานมันหิวเห็นมันหิว หรือว้ยลูหรือหรือเห็นมันหรือว่าเป็นผู้หิวมันปวดมันเมื่อยเป็นผู้มื่อยหรือเห็นมันปวดมันเมื่อยสติมักจะเห็นถ้าไม่ใช่สติก็มักจะเป็นเคยเป็นอย่างนั้นมาเท่าไหร่ยี่สิบสองสิสี่สิบห้าสิบปีหลงที่ไหนก็เป็นหลง ทุกที่เลก็เป็นทุกสุขที่เลก็เป็นสุกร้อนที่เดก็เป็นร้อนหนาวที่ไหนก็เป็นหนาวบบบนี้ผู้มีสติฝึกตนสอนตนจะเห็นเป็นภาวะที่เห็นภาวะที่เห็นใหญ่กว่าการเป็นมีช้นเชิงดีกว่ามีชัยภูมิที่ดีกว่าถ้า <c oughs> เห็นแล้วก็มักจะหลุดพ้น ถ้าเป็นแล้วก็หลุดพ้นได้ยากในภาคปฏิบัติได้เรียนรู้จากสิ่งที่เหมือนเกิดขึ้นกับกากับใจหลอ่อหยามีเทเล่เกิดได้ให้รู้บทเข้าคิวเข้าแถวสนุกศึกษาท่านมีสติจำนีจํำนานในการดูการเห็นมากขึ้น แม้แต่ผิดก็เห็นมันผิดถูกก็เห็นมันถูกลู้ก็เห็นมันลู้ไม่ลูกก็เห็นมันไม่ลู้สงบก็เห็นมันสงบพุ่งสร้างก็เห็นมันพุ่งสร้างใหย่อย่างนี้นี่ว่าเฉยเยืูมถ้าเป็นนักลบก็มีโอกาสชนะได้เพราะมีเฉยภูมดีปราบข้าจึกได้โน้ชพระ สตินี่เป็นองคนที่มีปัจจิตภาพก็สึกจำนวนมากเท่าไหร่ก็พ่ายแพ้ได้ถ้าเรามีสตินะตะนกใช้สติทีสท่สิ่งที่เกิดเกิดกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับกายกับใจองคนนั้นเดียวปราบได้ทุก กรณีลงไปจบด้วยความรู้จักตัวเห็นมันเกิดอะไรขึ้นเห็นมันเกิดเห็นสิงต่างๆเกิดกับปากับใจไม่ได้เข้าไปเป็นขณะนั้นมาเกิดอะไรขึ้นวะเกิดกลัวบริสุทธิ์เกิดเป็นศีลบริสุทธิ์ไม่เพื่อนไม่เปิด เกิดเป็นสมาธิมั่นใจมั่นคงชัดเจนแม่นยำทุกครั้งเหมือนกับอาวุธที่ยิงแม่นยิงไกลไม่เสียแม่นทุกทีหลงเทยลู้ทุกทีทุกที่ใดลู้ทุกทีเดี๋ยวแม่นชัดเจนอะไรจะบังจะแพ้ที่ตรงไหนไม่มีทาง ได้มีสตินะได้บทเรียนเรื่อยๆไปได้บทเรียนเรื่อยๆไปทำนานในก่อนใช้ชีวิตใช้กายใช้ใจิตใจถ้าผู้ไม่ปรึกจิตใจมาใช้เราเส้นความคิด ออกจากความคิดก็ไม่เป็นไม่เคยฝึกสองวันมานี่ได้รับโทรศัพท์นักปฏิบัติโทรมาถามเหมือนกับกนน mm. ลางวลก็ออกจากความคิดไม่เป็นคิดมากแต่ทำอย่างไรจะทำอย่างไรคิดจนนอนไม่หลับบางทีก็ต้อง น้อมกันบ้างถ้าเป็นอย่างนี้เราเคยผ่านมาทางเช้นนี้แล้วเกียบมาจนแหลกหมดทําไมเราจะไม่รู้ผมบอกว่ากลับมาหากรรมฐานกลมาหาที่ตั้งเคยฝึก ส, สติไหมเคยเจริญสติไหมยกมือสร้างจะว่าเคยไหมเฮยฝึกนั้นหลัมันคิดนั้นแล้วกลับมาหลับมารู้ใจความรู้สึกตัวมีกายอยู่ไหมเดี๋ยวนี้อ่อ ยกมือได้ไหมเคลื่อนไหวได้ไหมก็เคลื่อนไหวได้อยู่นั้นกลับมาจะไปแก้ความคิดด้วยความคิดก็บอกว่าโอ้เข้าเจอแล้วเข้าใจแล้ ว, ลวสอนภาษาโทรศัพท์มันก็เข้าใจมันเป็นหน้าเดียวกันไม่เห็นหน้ากันแต่อาศัยสมมุติที่เป็นคําพูดเป็นบัญญัติบอกว่า ก็มียกมือเคลื่อนไหวก็ยกมือได้เป็นปัจจัััตงเปป็นปจจุบันทันทีทุ่ที่เคยก็ทอมลงไปกันได้ทันทีเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วแบบนี้ <c oughs> บางทีห <c oughs> าคำตอบจากความคิดไม่จบไม่สิน้น เรามีกรรมฐานมีที่ตั้งมีกา ร, รกระทํมไปกลัวทำไมสิ่งที่มันเกิดกับกายกับใจมันมีหลักอยู่แม่พระองค์พระศิท ธ, ธัถะนั่งกู้ฉันเข้านั่งเหยียดฉันออกอาจจะคิดถึงิีพาลาหุนคุณเคยมีลูกก็คิดถึงลูกตอนเคยมีเมียก็คิดถึงเมีย คนเคยอยู่ภาษาจอนลูก็อาจจะคิดทั้งภาษาจอมลูกเมื่อมาเปรียบเทียบกับต้นไม้มันจะต่างกันขนาดไหนถ้าเอาเหตุเอาผลมันก็ไปแล้วจบบ้านกับบินภัทรแล้วแต่นี้กลับมานี่ยังกลับมาได้ภาษาเลยพวกเราไม่มีปภาสาจอมลูกอาจจะมีเอะหลวงพอก็ไปพักบ้านโรงแรมหัดสันปะหัด ปาตองเลยไปพักที่บ้านกันเลไม่ต่างกันกันกบกดนะใช่ไหมหล <c oughs> อกกันด้ดีสอดาเปรียบเทบกดเปรียบเทียบกันไม่ได้เปรียบเทียบแบบนั้นมาเกิดอะไรกันมนเกิดความคิดเคยคินเอ้ยอยู่ความสะดวกสบายความสงบแวดล้อมไปด้วยมิตรเพื่อนจสหาย เราอยู่นี่อยู่ในเต้นอยู่ในกฎเดินอยู่บนดินนอนอยู่บนดินก็ย่อมคิดมันแหละมันจะดีมันจะมีบทเรียนเราเห็นชื้อที่มันแสดงออกไม่มีอะไรกรบเกลื่อนมีเท่าไรมันออกมาบทถ้าอยู่ในที่มีกบเกล่อนเช่นตอริบทมันปิดบังเวทานาปิดบังสุขบังทุก เราเดนเราเดินเรานั่งนนเรานอนเราดังเราไกินเราอะไรต่างๆเยอะๆเราดูโน่น ด, ด, ด, ด, ด, ด, ด, ดูนี่อ่านหนต่างๆบังความเปลี่ยได้บทนี้มีมีอิิบทนั่งจกมือกู้เฉันเข้าเหยื่อฉันออกมันจะเกิดอะไรขึ้นหนุ่งชั่วโมงแต่ก่อนเราเคลื่อนไหวตลอดเวลาแม้แต่จู่จะกินก็จบจบจกจบับไปเรื่อยตู้เย็นอะไรต่างๆดูทีวีโทรศัพ เบื้องหกมาดึงไปหมดเลยพอมต้งหลอกจริงมันจะเห็นคิดถึงเพียงพากลับมาคิดถึงล่อหุนกลับมาคิดถึงปภาสาสามลู่กลับมาเวลานี้ไม่ใช่มันั่งคิดถึงลูกลู่จากตัวเวลานี้ไม่ใช่มันั่งคิดถึงเหมียกับมารู่จากตัวเวลานี้ไม่ใช่มันั่งคิดถึงปภาสาสามลู่กลับมารู่จากตัวเวลานี้ไม่ใช่มันนึกถึง สนุมกำนานหน่อยกับควมรู้สึกตัวมันกลับได้ทุกทีกับความรู้สึกตัวจบตรงที่รู้สึกตัวจบตรงที่รู้สึกตัวความรู้จึกตัวมันได้ผลจากสิ่งที่มันไม่ใช่ความรู้ในความหลงมันมีความรู้เจอแล้วในความทุกข์มันมีความรู้เกิดขึ้นมาในความโกรธในจิเละตัณหาปวงแต็มเกิดความรู้ขึ้นมาจะเป็นอย่างไรหนึ่งวัน จะเกิดอะไรขึ้นมาว่ามันชัดเกจนแม่นยองคืนเดียวเป็นพระพุทธเจ้าได้ของจริงต้องเป็นอย่างนี้พิสูจน์ได้ควมหลงกับความรู้จึกตัวอันไหนมันทิศจริงกว่ากันไม่ต้องถามใครไม่มีคำถามสัจธรรมมีแต่ตัวเองตอ่ตอว่ อ, ยอยงทอนนั่น ไม่ใช่นั่งให้มันมารู้ทำหรอนั่งคิดเอาก็ได้อยู่ที่ไหนมีนิพานอยู่ที่นั่นหลวงพ่อบอกอย่างนี้ให้ว่างว่างเยน็ยนๆถ้ามันเป็นอย่างคิดมันก็ได้ว่างได้ไหมเยน็นได้ไหมถ้ามันล้นมันวุ่นอยู่ถ้ามันวุ่นไม่รู้จะกินตรงกันข้ามมันก็ไม่ใช่ฝึก ถ้านั่งอยู่มันว่างไปเลยก็ได้ฝึกอยู่ในความไม่เป็นอะไรก็ยังก่อจะได้นะแต่นี้เราเหมือนคนเป็นปึกหนาสาะงดจึงทําตา ม, ามรอยพรธเจ้าไม่ใช่เราเก่งวิเศษของพระเจ้าพระเจ้ายู่เป็นพระทีเจ้าของเราเสมอแม้เราจะลู่ล อ, อยที่พระเจ้ทาทร ง, ส อ, ง, ส, องสอนสอนก็เหมือนเม็ดดินเม็ดทุกรียน ไอ้เ น, นออยู่ในฝาพระบาทของพระพุทธเจ้ามาอยู่ในชีวิตเราเท่านั้นเองมีความรู้แล้วควาพุทธเจ้าอาจจะคู่แขนเข้ามีความรู้สึกตัวเราคู่แขนเข้ามีความรู้สึกตัวเหยื่อแขนโดมีควรู้จึกตัวตอนนี้เหมือนก่อนแท้ๆไม่เป็นอื่นเลยคอยรอมันสุขมันทุกข์รู้สึกตัวนะ เวทนาจดเวทนาไม่ใช่จดบุคคลตัวตนเราเขาเหมือนกันหมดเลยตอนนี้เหมือนทุลีมาอยู่ในช่วงรู้สึกของตัวเราในการปฏิบัติเกิดกำลังขึ้นมาในสัมผัสกับอาการต่างๆที่เกิดกับกายกับใจรู้ตัวยังกับรู้คนอื่นไม่เคยเห็นความคิดตัวเอง เอาความคิดมาเป็นชุกเป็นทุกข์มากพกปากชาติต่างท่องที่มันก็ไม่ปิดบังอะไรคิดขึ้นบาทุกข์คิดขึ้นว่ากินไม่ได้นมมันรับน้ำตาร่วนน้ำตาลไหลเกิดจากความพิษมันก็เห็นอยู่ตรงโจ้งไม่รู้จักวิธีการปฏิบัติพอเราฝึกมามเห็นความคิด รู้จักตัวเห็นว่าพิสูจตัวมเกิดเกิดก่อนยิ่งใหญ่ขึ้นมาถูกหลกแ้วหลอกอมันฉุ ก, กเป็นสุกมันทุกข์ก็เป็นทุกข์มันโกรธก็เป็นโกรธมันโลภ ก, ก็เป็นโลภมันหลงก็เป็นห ล, ล ง, ลงทุกลกมานานแสนนานกี่สงไขหลกไม่รู้นับไม่ทวนบอมอรู่จักตัวรู้จักตัวรูจักตัวนี มันเจาะเหอกันขึ like, ้นมาจากนี้เรียกว่าปฏิบัติธรรมโตโตะทอกท้วงงูเข้มแข็งก็มัต้องชิงสักหน่อยชิงลองดูมันก็มีโอกาสแล้วก็นักกิลาถ้าชิงมันมีความสามารถนี่อันเราชนะาตัวเองนะมันมันมากกว่านั่นอีกชนะตัวเอง อดือกโกรธชนะคนอื่นจะชนะคนอื่นลอยข้างพันหอนมาเท่าชนะตนแม้ข้างเดียวในการปฏิบัติเป็นอย่างนั้นประกาศปุ๊บบอกไปเลยตั้งแต่บัทนี้เป็นต้นไปวินาทีนี้เป็นต้นไปคําว่าสุขก่าทุกข์อันเกิดจกากก่อจากใจจะไม่มีอีกแล้วมันว่าอย่างนี้ทําไมจึงว่านี่เพราะมันเห็นถูกมันหลอกมา จบตรงเทนานี้อันความสุขของทุกที่เกิดจากกายจากใจจะอนิบนญญาจากมันแล้วพในปัญหาเป็นบัญญัติขึ้นมาถ้าเราพึงหัดทำให้เอย่างนี้จริงๆชีวิตของคนเราจะมอกันหมดทุกสิ่งทุกอย่า ความไม่เที like s, Batman, ่ยงก็มีเหมือนกันความรทุกก็มีเหมือนกันความไม่ใช่ตัวตนมีเหมือนกันเป็นสารมันลักษณะจะเหมือนกันเหมือนกันหมดจึงเป็นสาขขนแห่งธรรมเป็นความรู้จึกตัวเนี่ยเหมือนกันหมดจะเป็นเพศหญิงเพศชายเป็นนกปวดเป็นกระว่าเจ้าโยมศาสนาและที่นิยายไหนเหมือนกันหมดเกี่ความรู้จึกตัวไม่ต่างกัน ัต่สิ่งที่ต่างกันเป็นสมมติบัญญัติไม่ใช่ปรมัติสักะความหลงเป็นสมุติบัญญัติต่างกันมากหลงภบ้าคนเราแบบในความหลงคนอื่นเขาว่าหลงอันความรู้จาก ต, ตัวเป็นปรมัจันจริงกว่ากันอย่างนี้จะคมขืนได้อย่างไรขมขืนตัวเองได้อย่างไรจะทุกข์ได้อย่างไรจะโกรธได้อย่างไร โอ้มันไม่จริงจริงจไม่จริงจริงจแล้วมันก็จริงจรงจริอีกด้วยในความหลงมันไม่จริงมีเท่าไหร่ก็ไม่จริงทุกทีในความไม่หลงมันจริงทุกทีคิดไหลเข้าไปไม่มีแพ้เลยอกกาศที่เกิดกับกากับใจเราเนี่ยไปร้องให้ไปเสียใจาปทุกข์อะไรมันก็เป็นไปเพื่อความดับทุกข์ นี่แล้วเป็นไปเพื่อความสงบเป็นไปเพื่อนิพพานหยุดเย็นลงจบลงซะความหลงขั้งสุดท้ายความทุกข์บนขั้งสุดท้ายความโกรธบนขั้งสุดท้ายจบได้เลียนจบได้จบลงที่ยความรู้สึกตัวเลียนชีวิตเลือนเรื่องชีวิตเรื่องกายเรื่องใจเรื่องรูปเรื่องนามจบลงด้วยความรู้สึกตัว ไม่ใช่เหลือนแบบแพทย์แบบคุณหมอทีอ่นี่ก็มีนายแพทย์มีแพทย์จญิงปฏิบัติธรรมอยู่นี้แต่จบแบบนั้นถือว่าเป็นเทพประบุตรของเราเทพพิดาของเราถ้ามีไปแพทย์พวกะนั้นชีวิตเราก็ไม่รอดจะรอดมาจากการศึกษาแบบนั้นแต่ความที่เหมือนเกิดจบจาก ได้ชีวิตมันต่อยอดคือในความหลงไม่หลงมันได้ตรงนี้ในความทุกข์ <จ aine S 2> <ouse> มันเป็นทุกข์มันต่อยอดได้ตรงนี้ในความเจ็บมันไม่เจ็บในความเจอมันไม่เจอในความตายมันไม่ตายมันได้ยอดจากสิ่งที่มันเป็นรูปเป็นนามนี้เราจึงใช่มันสําเร็จถ้ามันจบลงอย่างนี้ในความหลงไม่หลงในความทุกข์ ในความโกรธไม่โกรธในความแจ็ไม่แจ่ในความเก็บไม่เก็ใเบในความตายไม่ตายก็มันมีอย่างนี้คือมันมีชีวิตนี่คือชีวิตชีวิตมันเป็นอย่างในไม่ใช่ยืนเดินนั่งนอนด้วชีวิตที่ดืนยืนนั่งนอนได้มันแก่มันเก็บ ม, ม, มันตายเราจึงเอาประโยชน์จากมันด้วยการมาปฏิบัตินี่อย่าไ้ทําอย่างอื่นมากเกินไปเเอาแล้วนี่ก่อน แล้วเรื่องนี้มันถูกต้องแล้วอื่นก็ถูกต้องไปหมดเลยเหมาะแก่การงานอาชีพทุกอย่างเป็นชีวิตที่มีคุณมค่าเราขอท้าทายกับโลกในการใช้ชีวิตีนอย่างไรข อ, อเสนอหนทางที่จะมาศึกษาเรื่องชีวิตของเราที่จะให้มีคุณมค่า ได้ประจยชนจากมันมันแก่มันเจ็บมันตายเอามันมาใช้ให้มันจบซะอาทิตย์หนึ่งวิทยาทีนึ่งก็มีคุณมีค่าชีวิตเราจะไปใช้เล่นเล่นปล่อยให้หลงทําไมปล่อยให้ทุกข์ทำไมปล่อยผิดทำไมรวมถูกมีอยู่สิทธิเลือยเมันหลงเรามีสิทธิไม่หลงมันทุกข์เรามีสิทธิไม่ทุกข์มันโกรธเรามีสิทธิไม่โกรธ ใช่สิตที่ให้เต็มร้อยอย่าปล่อยโอกาสอย่าสละสิทธิ์และมีจิตจริงๆเรื่องนี้เป็นมนุษย์สมบัติเป็นสวรรค์สมบัติเป็นนิพานสมบัติเกิดอยู่ที่รูปที่นามนี้ได้พบได้เห็นนี่ในความหลงมีความไม่หลงนี่ไม่มีคู่บนหน้ามือหลังมือ เปลีนได้ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อบรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรเฉยผู้ปฏิบัติเป็นปฏิจจตังของผู้การกระทําตอบได้เองไม่ต้องถามใครชวนมาดูชวนมาดูมาทําดูมาทําทดูเป็นสิงที่ประกาศเชิญมาดู เป็นสิ่งที่น้อมอาศัยตัวเองมันหลงน้อมความไม่หล ง, งอยากไปน้อมรับความหลงกวามทุกข์บางทีก็ ก, ก่อกใจในความทุกข์ก่อใจในความโกรธบอกคนถึงกับพูดออกมาว่าถ้ากูได้โกรธตายไม่ลืมตามตามความโกรธจนสุด หัวใจาาก็หมือโกรธทำทุกอย่างพอฆ่าก็ฆ่าพอทำลายก็ทำลายแอ้ควก็ไม่กรมันมีอยู่ตรงไปทุกมันมีอยู่เราจงมาฝึกตนสอนตนเตือนตนแค่ไขตนมีสติจะอยู่เป็นสุขได้มีโอกาสสอนตัวเอง อาสาสมัครไม่ต้องถามใครปิดเงียบผิดตัวเองคนเดียวสดชื่นนะเห็นความผิดมั่นใจไม่อ่อนดอนะยิ่งคิดยิ่งรู้แล้วก่อนยิ่งคิดยิ่งปวดหัวไม่อยากให้มันคิดมันก็คิดมันก็คิดบวเป็นภาพปฏิบัติมันสนุก ได้มีงานมีการทำได้เห็นความคิดเป็นความรู้ได้ประโยชน์จากความคิดได้บรรลุธรรมจากความคิดบรรลุธรรมจากความผิดความทุกขนี่มันมีประโยชน์ถ้าทายมันดิ่นกับมันดูย้อนไปดูคนนี้น่ารักนะคนนี้น่าเกลียดนะบังคับมันมาทำโดูจี๋มันไม่ไปล่อยเพราะมัน มาทางนี้แล้วเอียงมาทางนี้อยู่ฝั่งนี้เหมือนกับคนที่มุดน้าคนหนึ่งนั่งดูบนฝั่งคนก็ขึ้นฝั่งย่อมลูกคนที่มุดน้าเราเคยมุดอยู่ในน้าแล้วเราขึ้นมาบนฝั่งก็ไม่บอกกันได้อย่างไรไม่มีฝั่งอยู่ในควอมหลงในข้อมไม่หลงอยู่นะ ในความทุกข์มีความไม่ทุกข์อยู่เนื้นอเหมือนคนขึ้นฝั่งงานนี้มานี้มาทางนี้เหมือนพระเจ้ายืนโบกมืออยู่บนฝั่งจงมงถึงที่ไม่มีน้ําจากที่มีน้ําอย่าวนเวียนอยู่ในฝั่งนั้นเลยคนส่วนใหญ่ล่องท่องเที่ยวในฝั่ง ในในพวนน้าไม่ขึ้นป่องกูเจ้าจงมาถึงไม่มีน้ําจากที่มีน้ําจงละทาดำเฉียเจริญทําขาวทำดามันมืดทําขาวมันส ว, าว่างมันเห็นความดาคือเป็นจุกเป็นจุกทุกเปนทุกห น, นวดทําท ำ, ำําเห็นเหมืนสุกเห็นเมันทุกห น, นวดทาขาว จงละทำดำเสียจะเลิญทำขาวในความดำมีความขาวในความมืดมีความสว่างชีวิตเราเป็นเช่นนั้นในภาพปฏิบั ต, ติกระโดดได้เองพ้นเองหลงเองแค่เองไม่ใครไม่มีใครช่วยเก็บคนเดียวไม่มีใครเก็บด้วยทำอย่างไรตายคนเดียวไม่มีใครตายด้วย ช่วยมันช่วยมันเห็นมันเราจะมาฝึกกไวายงัดให้มันเป็นเชืยอเดี๋ยวนี้เนื่อการเกิดเจอเจตปลาตั้งแต่หนุ่มสาวตื่นแต่ดึกศึกแตหนุ่ ม, มวบราณท่านว่าปลาจะพ่อจะล่างหลอพายตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะน่า เดเป็นไก่แก่วันเรานี่ไม่ไหวนะเข็นตัวเองเดินไปสลาหน้าเข็นตัวเองเดินมากท็ทิก็เหนื่อยนะต้องบังครับวันนี้จะเดินให้โลกจากหัวใจไปสลาไก่ไปสลาหน้าเดินโลบมาทางนี้ไปหินโก่งโลกมาทางกระดูนเสิง พยายามโดยในรอบอยู่นี่ทุกก่อนบังคับมันเข็นตัวเองมันหนักมากเพราะนั่นมันตะวันจะตะวันมันสายแล้วสายบัวนเน่าเสร็จแล้วไม่มีค่าจะทำให้เกิดพลังขึ้นมาจะมาเดินจงกรมสี่ชั่วโมงเหมือนสี่สิบปีก่อนไม่ได้สี่สิบปีก่อนเดินจนถุกขา แ, แตกไปกันนะ จักรกลอ้วนนะเดินจักรมจนขาแตกเลยได้ไปขอวิสตินของน้ำมันมาซับไว้มาสูตากขนดจริงขนาดหลวงพ่เทียนเนี่ยพ่เทียนจริงขนาดไหนคิดจ่างนี้แล้วก็มีขาสองแขนสอง อลงอ่ออหลังใจยังเข้มแข็งว่ากับลังสติเข้มแข็งมีสตินี่ความเลือกได้สนุกปฏิบัติยิ่งทุกข์ยิ่งสนุกยิ่งทุกข์ยิ่งสนุกใหญ่ลบากยิ่งสนุกให่ตม้แต่เจ็บแค่เด็กป่วยกสนุกไปเลยไม่มีคาว่าทุกข์ เห็นของเทอของกริงมาพร้อมกันชวอยู่ตลอดเวลาไม่เสื่อมไม่รู้จักแก่ไม่รู้จักเก็บไม่รู้จักตายคุณธรรมที่เกิดอยู่ในคนเรานะอย่าจนให้เป็นมีอริยทรัพย์ภายในจะได้ทุกวินาทีป้องกันความแก่ความเก็บ ค, ค, ค, ค, ค, ค, ความตายได้ เพราะฉะนั้นก็ไม่จบไม่ชิ้นหอกปฏิบัติธรรมมีไปเรื่อยๆแปลงสมมุติปัญญาตคอสเข้ม10็บ่อนสมมุติปัญญา ต, ต, ข, มม ต, ญญาตขึ้นมาแต่ตัวเราเนี่ยมีไปเรื่อยๆปฏิบัติไปเรื่อยมา ล, ลงสนามก็เป็นแล้วผ่านสนามมาแล้ว ผ่านหลงมาแล้วผ่านทุกข์มาแล้วผ่านโกรธมาแล้วผ่านจะหนักผ่านเมาผ่านยากผ่านง่ายมาแล้วยอมแส่ก็เหมือนทัดสตินที่นักรบเมื่อเข้าสู่สงครามก็ไม่ทิ้งเหลี่าโอ้อยแม้จะเข้าสู่หยีบยนก็ไม่ทิ้งรสหวานบัณฑิตผู้ฝึกตนสอนตน เมื่อประสบทุกข์เกิตายก็ไม่ทิ้งสิ่งทิ้งทาวิชติตลอดเวลาเป็นสมบัติของเราไม่มีใครแย่งได้แบ่งปันกันไม่ได้เอก็สมควรจเวลาแล้วกับพระพร้อมกันล้างสมมาสัพพุโทโธภาควา พูดทางภควานต่างพิวาเทมสวากาโตพรขวตาธโมธรรมังนะมาซามสุปฏิปันโนพควโตสาวกสรงโกสร้างขังนมามิ